สวัสดีครับท่านผู้มผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตปราดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําคติของปราดและเรื่องราวของท่านนะตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันมานําเสนอนะครับโดยวิธีการอ่านเป็นคำํคำๆขยายความเท่าที่จําเป็นในฐานะนักศึกษาไม่ใช่ผู้รู้ผมทัศน์พลเปี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0897991212ครับขณะนี้ผมนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคูรู้วิภากคุรู นะครับซึ่งเป็นการบรรยายของท่านโอโชผู้นำชาติจิตวิญญาณชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับคุณจอมองสุขปริชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงนะครับแล้วก็ใช้ภาพจากอินเทอร์เน็ตประกอบนะครับครับตอนนี้พามานะครับถึงท่านกาบีนะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพันสามเถึงพันห้านะครับเมื่อตอนที่แล้วท่านโอโชบรรยายไ้ว่านะนักจิตวิญญาณที่แท้จริงคือคนที่ธรรมดาสามัญอย่างยิ่งกาบีนั้นธรรมดามากคุณจะไม่มีวันแยกแยะเขาออกจากฝูงชน ความพิเศษของเขาไม่แสดงออกคุณไม่อาจนําเขาได้ด้วยการมองหน้าเป็นเรื่องยากพระพุทธเจ้านั้นพิเศษเป็นบุรุษผู้งดงามเปลี่ยนบุคลิกบา ร, รมีพระเยซูก็พิเศษมากเปี่ยนด้วยพลังปฏิวัติขบศแต่กาบีละ่ะกาบีธรรมดามากเขาเป็นคนธรรมดาท่านโนช บ, บอกว่านักจิตวิญยาที่แท้จริงคือคนที่ธรรมดาสามัญอย่างยิ่งนะแล้วก็บอกว่าท่านกาบีเนี่ยธรรมดามากนะครับจะไม่วันแยกแยะเขาออกจากฝูงชน บุคลิกลักษณะไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับความพิเศษของเขาไม่แสดงออกนะครับคุณไม่อาจนําเขาได้นะจาเขาได้ด้วยการมองหน้านะครับเพราะหน้าตาก็เหมือนกับคนธรรมดานะเป็นเรื่องยากแต่บอกว่าพระเจ้านั้นพิเศษนะครับเป็นผู้งดงามเปลี่ยนบุคลิกบามีพระเยซูก็พิเศษมากนะครับเปลี่ยมด้วยพลังปฏิวัตนะิขบวนะครับแต่กาบีละ่ะกาบีธรรมดามากเขาเป็นคนธรรมดาพึงระลึกไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าธรรมดาข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงระดับเฉลี่ย ระด so ับเฉลี่ยนั้นไม่ธรรมดาแต่เป็นไม่ธรรมดาอย่างธรรมดาเท่านั้นแต่ในคนระดับเฉลี่ยก็บ้ามากเท่าคนอื่นนะแต่คนในระดับเฉลี่ยก็บ้ามากเท่าคนอื่นที่จริงแล้วในโลกนี้คนธรรมดาไม่มีอยู่เลยนะครับก็ใช้ภาษาแบบนักโตวาทีหน่อยนะฮะบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าธรรมดาแหะข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงกล่าวระดับเฉลี่ยนะครับระดับเฉลี่ยก็คือระดับที่เราเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมนี้นะบอกว่าระดับเฉลี่ยนั้นนะครับบอกว่าไม่ธรรมดาแต่เป็นไม่ธรรมดาอย่างธรรมดาเท่านั้นเองนะ แต่คนในระดับเฉลีย่ยก็บ้ามากถ้าคนอื่นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในโลกนี้คนธรรมดาไม่มีอยู่เลยนะก็เลยพูดถึงว่าที่เราเห็นทั้งหลายแหละนะครับที่เป็นอย่างที่ทั่วทั่วไปเห็นในตลาดทั่วๆไปนะครับมันก็แค่นะไม่ธรรมดาอย่างธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเพราะคําว่าธรรมดาของท่านเนี่ยไม่ได้มีความหมายอย่างที่เห็นอยู่ในคนทั่วไปใ น, ในท้องตลาดนะครับข้าพเจ้าเคยไดียินนักศึกษาถามจิตแพทย์ที่ไปสอนในมหาวิทยาลัยว่าคุณหมอคุณเล่าถึงคนไข้และพฤติกรรมที่ไม่ปกติแล้วแต่คนปกติเป็นยังไงนะครับแพทย์งงแล้วเขาก็กล่าวว่า ตลอดชีวิตของผมผมไม่เคยพบคนปกติเลยสักคนแต่ถ้าพบแล้วก็คงต้องรักษาเขานะครับกาบีคือคนปกติในคนนั้นที่คุณไม่เคยผ่านพบในชีวิตเขาไม่มีความปรารถนาจะเป็นคนพิเศษเมื่อเขารู้แจ้งเขาก็ยังคงรักษาชีวิตปกติไว้เขาเป็นช่างทอและยังคงทอผ้าต่อไปนะครับเว่ากาบีเนี่ยคือคนปกติเท่านั้นนะแต่เป็นคนปกติคนนั้นไม่เคยผ่านพบที่ไม่เคยผ่านพบในชีวิตเขาไม่มีความปรารถนาจะเป็นคนพิเศษนะ เมื่อเขารู้แจ้งนะครับเขาก็ยังคงรักษาชีวิตปกติไว้เป็นช่างทอก็ยังทอผ้าต่อไปสิทธิของเขาเริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นหลายร้อยหลายพันและคนหลายต่อหลายพันนะครับคนหลายต่อหลายพันมาหาพบเขาพวกนั้นจะบีงวอนให้เขาหยุดทอผ้าไม่จําเป็นเลยเราจะดูแลท่านเองแต่เขาจะหัวเราะและกล่าวว่าทําต่อไปดีกว่าเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าข้าไม่ปรารถนาจะทําสิ่งอื่นใดปล่อยให้ข้าเป็นอย่างที่ข้าเป็นเถอ ไม่ว่าพระเจ้าจะประสงค์ให้ข้าเป็นอะไรถ้าพระองค์ประสงค์ให้ข้าเป็นช่างทอนั่นก็คือเหตุผลที่ข้าจเป็นช่างทอข้าเกิดมาเป็นช่างทอและจะตายอย่างช่างทอนะครับนั่นลูกศิษย์นะหลายร้อยหลา ย, ลายพันนะครับมาวิง่งวอรนให้หยุดทอผ้าไม่จําเป็นเลยจะดูแลท่านเองลูกศิษย์ตั้งหลายพันคนนะครับและครูรูปแบบนี้นะครับวันๆท่านจะกินจะใช้เท่าไหร่ลนะูกศิษย์หลายพันคนเนี่ยนะครับถ้าเขาออกเงินโคนนิดคนหน่อยหรือดูแลคนนิดคนหน่อยเลยเขาก็แทบจะไม่เดือดร้อนอะไร ถ้านะทาไมต้องให้ครูรูของตัวเองนะครับต้องมาทํางานทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าท่านกาบีก็หวัวเราะแล้วกล่าวว่าทําต่อไปดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าข้าไม่ปรารถนาจะทําสิ่งอื่นอีกปล่อยให้ข้าเป็นอย่างที่เป็นเถอะไม่ว่าพระเจ้าจะประสงค์ให้ข้าเป็นอะไรถ้าพระองค์ประสงค์ให้ข้าเป็นช่างทอนั่นก็คือเหตุผลที่ข้าเป็นช่างทอข้าเกิดมาเป็นช่างทอและจะตายนะครับอย่างช่างทอเขายังคงวิถีสามัญต่อไปเขาจะไปตลาดเอาสินค้าไปขาย ไปพงน้ำจากบอ่อเขาใช้ชีวิตสามันมากๆนั่นคือหนึ่งในสิ่งสาคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเขาไม่เคยอ้างว่าเขาเป็นผู้รู้เพราะไม่มีผู้รู้ที่ไหนเคยอ้างเช่นนั้นการรู้ก็คือการรู้ว่าการรู้นั้นไม่จะเป็นต้องรู้และรู้ว่าการไม่รู้ก็คือรู้คนที่เข้าใจอย่างแท้จริงรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยความโง่เขลาของตนนั้นยิ่งใหญ่และพ้นความโง่เขลานั้นไปก็คือความไรเดียงสาเมื่อคุณรู้คุณจะกลายเป็นคนฉลาดแจมโกง เมื่อคุณรู้นะคุณจะกลายเป็นคนฉลาดเมื่อคุณรู้คุณจะสูญเสียความไร้เดียงสาของเด็กนะครับเรื่องพวกนี้อย่างที่ว่าครับอันนี้มันเป็นความยากอย่างหนึ่งแน่นอนนะสำหรับภาษาที่ใช้ในใ น, ในบรรดาผู้รู้ทั้งหลายที่พยายามสื่อสื่อกับผู้คนพราะมันพยายามจะสื่อความจริงและในความจริงนั้นบางทีอย่างที่ว่าครับว่ามันไม่มีภาษาจะพูดเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ภาษาอ่ะมันจริงจะบางครั้งมันก็บกไปบนมาพอสมควรนะมันไม่เหมือนกับ ฟังนิยายนปรมโลกทั้งหลายครับมันง่ายๆนะมันพูดให้ถูกใจมันก็จบแต่ว่าไอสิ่งเหล่านี้มันพยายามสื่อความจริงบางครั้งที่บอกครับมันก็ทำให้ดูดูกลับไปกลับมาพอสมควรนะเพราะว่าเนี่ยครับบอกว่าเขายังคงวิถีสามัญต่อไปเขาจะไปตลาดเอาสินค้าไปขายไปพงน้ำจากบอ่อนี่คือวิถีคนสามัญทั่วไปเขาใช้ชีวิตสามัญมากๆนั่นคือหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจเขาไม่เคยอ้างว่าเขาเป็นผู้รู้นะครับไม่เคยอ้างว่าเป็นผู้รู้แต่ท่าโนโอดโชเองท่านก็ประกาศนะครับประกาศในสิ่งซึ่ง ประกาศว่ารู้แจ้งนะครับจะเรียกว่าไม่รู้ไหมครับคืาคว่ารู้แจ้งเนี่ยนะครับเพราะไม่มีผู้รู้ที่ไหนเคยอ้างเช่นนั้นการรู้ก็คือการรู้ว่าการรู้นั้นไม่จำเป็นต้องรู้และรู้ว่าการไม่รู้ก็คือรู้นะครับนี่คือคําอธิบายที่แบบที่ว่ามันฟังแล้วมันย้อนไปย้อนมาคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงรู้ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยความโง่เขาของตนนั้นยิ่งใหญ่และพ้นความโง่เขานั้นไปก็คือความบริสุทธิ์คือความไร้เดียงสา เมื่อคุณรู้คุณจะกลายเป็นคนฉ ล, ฉลาดแกมโกงนั่นะคือรู้อย่างอย่างที่เราเบรรดานักนักรู้ทั้งหลายในโลกส่วนใหญ่นะครับก็จะฉลาดแกมโกงก็คือใช้เหตุผลใชนะ้ข้อมูลจากตานานา น, า น, นะครับเพียงเพื่อสนองจุดประสงค์ของตัวเองเท่านั้นเองนะเมื่อคุณรู้คุณจะกลายเป็นคนฉลาดเมื่อคุณรู้คุณจะสูญเสียความไร้เดียงสาของเด็กกาบีกล่าวว่าเขาโง่เขาเขาไม่รู้อะไรเลยและนี่คือเรื่องที่ต้องเข้าใจเพราะนี่จะสร้างพื้นฐานให้กับจิตใจของคุณ เพื่อบทกวีของเขาบทกวีเหล่านี้มาจากไหนมันมาจากความไร้เดียงสาของเขาพริบาลจากความไร้เดียงสาเขากล่าวว่าเขาไม่รู้อะไรนะครับเพราะว่ากาบีกล่าวว่าเขาโง่เขานะเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับเป็นที่ว่าเขาว่าท่านเหล่านี้ท่านท่านไม่ได้สนใจแล้วครับใครจะว่าตัวเองโง่ตัวเองฉลาดนะครับท่านผ่านสิ่งเหล่านี้ไปนะไม่จําเป็นต้องมามาแย้งหรือมาถกอะไรนะครับจะว่าโง่ก็ไม่ใช่ปัญหานะนี่คือเรื่องที่ต้องเข้าใจ เพราะนี่จะสร้างพื้นฐานให้กับจิตใจของคุณเพื่อบรรกวีของเขานะบรรกวีเหล่านี้มาจากไหนนะครับมันมาจากความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาของของเขานะครับพริบาลจากความไร้เดียงสานะเขากล่าวว่าเขาไม่รู้อะไรคุณเคยสังเกตข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งในชีวิตไหมว่าเราจะอ้างว่าเรารู้แต่เราไม่รู้เรารู้อะไรคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมถ้าข้าพเจ้าถามว่าทําไมต้นไม้จึงเป็นสีเขียวคุณจะตอบได้ไหมใช่คําตอบที่ดีที่สุดนะ ที่ข้าพเจ้าเคยดินมาจากดนะีเอชลอเรนสเด็กเล็กๆคนหนึ่งเดินไปกับเขาในสวนแล้วถามอย่างที่เด็กๆมักจะถามทําไมต้นไม้เป็นสีเขียว DH Lawrence มองดูต้นไม้มองดูดวงตาของเด็กแล้วกล่าวว่ามันเป็นสีเขียวก็เพราะมันเป็นสีเขียวนั่นคือคําตอบที่จริงที่สุดเท่าที่เคยตอบมาคุณจะตอบอะไรได้อีกล่ะอะไรก็ตามที่คุณพูดจะเป็นเรื่องโง่ไม่เป็นสาระคุณอาจพูดได้ว่าต้นไม้เป็นสีเขียวเพราะมีคอร์ฟิล แต่ทำไมคอรรฟิลถึงเป็นสีเขียวลนะ่ะคำถามยังคงเป็นเช่นเดิมเข้าไปเจ้าถามคุณหนึ่งคำถามคุณตอบมาหนึ่งคำถามแต่คำถามก็ยังไร้คำตอบทนะ่านอดีชอบบอกว่าคุณเคยสังเกตข้อที่จริงอย่างหนึ่งในชีวิตไหมเราจะอ้างว่าเรารู้นะครับคนส่วนใหญ่ที่เราเจอนะจะต้องพยายามที่จะรู้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราไม่รู้เรารู้อะไรคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมนะถ้าข้าพเจ้าถามว่าทําไมต้นไม้จึงเป็นสีเขียว ค, นะคุณจะตอบได้ไหมคุณจะตอบได้ไหม ใช่คำตอบที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยได้มานะครับมาจากดีเอชลอเรนส์นะดชลอเรนส์นี่นะครับมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1885นะครับถึง1990นะเป็นกวีชาวอังกฤษนะครับนักเขียนอบริยายนะเด็กเล็กๆคนหนึ่งนะครับเดินไปกับเขาในสวนแล้วถามอย่างที่เด็กๆมักจะถามทําไมต้นไม้เป็นสีเขียวดีเอชลอเรนส์มองดูต้นไม้มองดูดวงตาของเด็กแล้วก็กล่าวว่ามันเป็นสีเขียวก็เพราะมันเป็นสีเขียวนั่นคือคําตอบที่ จริงที่สุดเท่าที่เคยตอบกันมาคุณจะตอบอะไรได้อีกอะไรก็ตามที่คุณพูดจะเป็นเรื่องโง่ไม่เป็นสาระคุณอาจพูดได้ว่าต้นไม้เป็นสีเขียวเพราะ ม, มีคลอรโรฟิลล์นะซึ่งใครๆก็เรียนมาแต่ทําไมคลอรโรฟิลล์ถึงเป็นสีเขียวล่ะคําถามก็ยังเป็นเช่นเดิมข้าพเจ้าถามคุณหนึ่งคำถามคุณก็ตอบมาหนึ่งคำถามแต่คําถามก็ยังไร้คาตอบคุณร่วมชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่งนานสาปีและคุณก็เรียกเธอว่าภรรยาหรืออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งมา50ปี คุณรู้จักผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นไหมเด็กคนหนึ่งเกิดมาสู่คุณคุณรู้จักเขาไหมเขาเคยมองตาคุณเคยมองตาเขาไหมคุณอ้างได้ไหมว่าคุณรู้จักเขาคุณรู้จักอะไรนะครับนี่ก็น่าจะเป็นนะเป็นข้อคิดเตือนไว้พอสมควรนะครับกับคนในครอบครัวเดียวกันนะซึ่งแน่นอนครับผมคิดว่าถ้ารู้จักกันดีมากพอก็นะครับก็น่าจะไม่ยิปัญหามากมายอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคุณรู้จักหินสักก้อนหนึ่งไหมใช่ในวิทยาศาสตร์อาให้คําอธิบายมากมาย แต่มันก็ไม่ได้กลายเป็นความรู้พวกเขาจะพูดถึงอิเล็กต r o n โปรตอนและนิวตรอนแต่อะไรคืออิเล็กต r o n ล่ะพวกเขาก็ยายักษไหลบอกว่าเราไม่รู้พวกเขากล่าวเรายังไม่รู้ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะรู้แต่ไม่พวกเขาไม่วันจะรู้เพราะว่าพวกเขากล่าวแต่แรกแล้วว่าหินประกอบไปด้วยอะตอมและเมื่อถูกถามว่าอะไรคืออะตอมพวกเขาก็บอกว่าเรายังไม่รู้แล้วต่อมาพวกเขาก็บอกว่าอะตอมประกอบไปด้วยอิเล็ก tron เมื่อเราถามว่าอะไรคืออิเล็ก tron พวกเขาก็ตอบว่าเรายังไม่รู้สักวันหนึ่งพวกเราพวกเขาก็จะบอกว่าอิเล็ก tron ประกอบไปด้วยสิ่งนี้และสิ่งนั้น x y z แต่นั่นก็ไม่ได้มีอะไรต่างออกไปนะครับแล้ก็ยกตัวอย่างกลับมานะกับสิ่งที่เห็นในพื้ น, พ, นพื้นในชีวิตประจําวันคุณรู้จักขินสักก้อนหนึ่งไหมใช่นักวิทยาศาสตร์อาจให้คําอธิบายมากมายแต่มันก็ไม่ได้กลายเป็นความรู้นะครับคือคาว่าความรู้เนี่ยครับมันต้องแยกออกจากข้อมูลนะ สิ่งที่เราเรียนกันมาบางทีจนจบปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลนะครับบางทีมันไม่เคยเป็นความรู้เลยนะพวกเขาจะพูดถึงอิเล็ก t รอนโปรตอนและนิวตรอนนะแต่อะไรคืออิเล็ก t รอนละ่ะนะพวกเขาก็จะยักใยบอกว่าเราไม่รู้พวกเขากล่าวเรายังไม่รู้ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะรู้แต่ไม่พวกเขาไม่มีวันจะรู้เพราะว่าพวกเขากล่าวแต่แรกแล้วว่าหินประกอบไปดยอะตอมและเมื่อถูกถามว่าอะไรคืออะตอมพวกเขาก็บอกว่าเรายังไม่รู้ แล้วต่อมาพวกเขาก็บอกว่าอะตอมประกอบไปด้วยอิเล็ก tron เมื่อเราถามว่าอะไรคืออิเล็กต r o n พวกเขาก็ตอบว่าเรายังไม่รู้จากวันหนึ่งพวกเขาก็จะบอกว่าอิเล็กต r o n ประกอบไปด้วยสิ่งนี้และสิ่งนั้น x y z แต่นั่นก็ไม่ได้มีอะไรต่างออกไปปรมัตธ์สภาวะนั้นไม่ลดลงมาสู่ความรู้ปรัมมัทธสภาวะยังคงความเป็นสิ่งที่ลึกลับถ้าปรมัทธสภาวะยังลึกลับอยู่ชีวิตก็จะมาสัจจ์เมื่อไม่มีความรู้เรื่องปรมัทธ์สภาวะ บทกวีจะถือกําเนิดขึ้นแต่ถ้ามีความรู้เรื่องปรมาถาศภาวะหรือคิดว่ารู้ก็จะเกิดเป็นปรัชญานั่นคือความแตกต่างระหว่างปรัชญาและบทกวีนะครับว่าปรมาถาศภาวะนะบอกว่าเป็นสภาวะสูงสุดนะไม่ลดลงมาสู่ความรู้ปรมาถาศภาวะยังคงความเป็นสิ่งที่ลึกลับนะหรือบางทีใช้คำว่านะครับไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความไม่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้นะถ้าปรมาถาศภาวะยังลึกลับอยู่ ชีวิตก็จะมาสัจจันร์เมื่อไม่มีความรู้เรื่องปรมภสถาภาวะบทกวีจะถือกําเนิดขึ้นแต่ถ้ามีความรู้เรื่องปรัมัสถาภาวะหรือคิดว่ารู้ก็ตามก็จะเกิดเป็นปรัชญานั่นคือความแตกต่างระหว่างปรัชญาและบทกวีวิธีเข้าถึงของกาบีนั้นเป็นแบบกวีแบบคนรักแบบคนที่พิศวงสงท้าพิศวงสงสัยว่านั่นคืออะไรกันแน่ไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่เขาเปล่งเป็นเพลงไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่เขาสวดมนต์ ไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่เขาโค้งคำนับวิธีเข้าถึงแบบกวีนั้นอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นเองแบบการอุทานเขากล่าวว่าใช่ใช่นี่คือความลี้ลับนะครับวิธีการเข้าถึงของกวีนั้นเป็นแบบกวีนะไม่ใช่แบบปรัชญาแบบคนรักแบบคนที่พิสวค์สงสัยว่านั่นคืออะไรกันแน่ไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่ก็เปลงเป็นเพลงไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่ก็สวดมนต์นะครับไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่ก็โค้งคำนับวิธีเข้าถึงแบบกวีนั้นอธิบายไม่ได้ เกิดขึ้นเองแบบการอุทานเขากล่าวว่าใช่ใช่นี่คือความลี้ลับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบความลี้ลับนั้นคุณก็พบพระเจ้ายิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตระหนักถึงพระเจ้าน้อยลงเท่านั้นยิ่งรู้น้อยพระเจ้าก็ยิ่งอยู่ใกล้คุณถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณพูดได้อย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าฉันไม่รู้ถ้าหากฉันไม่รู้นี้เนี่ยมาจากแก่นที่ลึกที่สุดของการดำรงอยู่ของคุณพระเจ้าก็จะอยู่ในแก่นนั้นในจังหวะเต้นของหัวใจ แล้วบทกวีก็จะผุดบังเกิดคนคนนึงจะตกหลุมรักกับความลับยิ่งใหญ่ที่รายล้อมอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่ท่านจะนั้นเนี่ยครับรว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพบความลี้ลับนั้นคุณก็จะพบพระเจ้านะยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตระหนักถึงพระเจ้าน้อยลงเท่านั้นนะยิ่งรู้น้อยพระเจ้าก็ยิ่งอยู่ใกล้คุณถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณพูดได้อย่างมั่นใจเต็มเปี่ยว่าฉันไม่รู้นะถ้าหากฉันไม่รู้นี้มาจากแกนที่เล็กที่สุดของการดำรงอยู่ของคุณพระเจ้าก็อยู่ในนนกัน้ นะครับซึ่งแน่นอนครับอัตราของคนเรานะมันก็สามารถเล่นเล่นเหลี่ยมได้นะครับมันใช้เป็นแค่วาทะเท่านั้นเองนะแต่ความจริงนั้นมันกลายเป็นไปเป็นขั้วหนึ่งเลยนะในจังหวะเต้นของหัวใจแล้วบนกมีก็จะผุดบังเกิดคนคนหนึ่งจะตกกลุมรักกับความลับที่ยิ่งใหญ่ที่รายล้อมอยู่ความรักเช่นนั้นคือศาสนาศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นตามคําอธิบายใดๆศาสนาไม่ใช่การสืบค้นคําอธิบายทว่ามันคือการสํารวจแห่งรักเป็นการเดินทางสู่ความรักที่ไม่จบสิน้น ผมว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะความว่าศาสนานี่มันมีมาเป็นพันพปีและทุกวันนี้บางทีศาสนานมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะและผู้รู้จํานวนไม่้อยบอกว่าสิ่งที่ทำลายมนุษยชาติมากที่สุดก็คือศาสนานี่เองก็คือศาสนานี่เองนะนักการเมืองนะครับหรือบรรดาบรรดาผู้ครอบครองโลกทั้งหลายเนี่ยนะก็ทําลายมนุษย์ไม่ได้เพราะมันทำลายได้แต่ร่างกายแต่ศาสนานทําลายถึงรากของจิตวิ ญ, ญญาณนะครับนั่นคือ คำ ว, ว่าศาสนาจึงเป็นความเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอย่างมากทีเดียวอย่างลึกซึ้งทีเดียวนะบอกว่าศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นตามคำอธิบายใดๆนะศา ส, สนาไม่ใช่การสืบค้นคำอธิบายทว่ามันคือการสำรวจแห่งรักเป็นการเดินทางสู่ความรักที่ไม่จบสิน้นนะซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจครับว่าคนที่มองศาสนาในในความเข้าใจอย่างนี้จะมีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่ว่าครับถ้า คือถ้าคนเข้าใจแบบนี้เนี่ยปัญหาที่ว่านะครับไอ้ปัญหาเรือ่องศาสนาประจำชาติศา ส, สนานะครับการแย่งชิงผู้คนหรือตลอดจนนะครับการนะวิธีการสารพัดเพื่อจะหาผู้คนในวิธีแปลกๆเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นนะข้าพเจ้าเชิญคุณให้มากั บ, ข, กบข้าพเจ้าสู่ดินแดนด้านในสุดของชายบ้ากาบีใช่เขาเป็นชายบ้าคนที่มีศาสนาล้วนบ้าบ้าเพราะพวกเขาไม่ไว้ใจเหตุผลบ้าเพราะว่าพวกเขารักชีวิต บ้าเพราะพวกเขาสามารถเรืองรําและร้องเพลงบ้าเพราะสําหรับพวกเขาแล้วชีวิตไม่ใช่คําถามไม่ใช่ปัญหาให้แก้แต่เป็นความลับที่คนแต่ละคนต้องหลอมและลายตนเองนะครับเพราะว่าข้าพเจ้านะท่านโอโชเนเชิญคุณนะครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้มากับข้าพเจ้านะครับสู่ดินแดนด้านในสุดของชายบ้ากาบีใช่นะครับท่านกาบีเนี่ยเป็นชายบ้านะีคนที่มีศาสนาล้วนบ้านะครับที่ว่าบ้าก็คือมันไม่ได้คิดเหมือนกับที่คนส่วนใหญ่ในโลกเขาคิดกันนะ ดังนั้นก็เป็นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องบ้านะครับบ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ไว้ใจเหตุผลนะบ้าเพราะพวกเขารักชีวิตนะครับบ้าเพราะพวกเขาสามารถเริงับและร้องเพลงตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกับนะที่คนทั่วไปนะครับไม่ไว้ใจเหตุผลนะเพราะว่าเหตุผลอย่างที่รู้กันนะครับเหตุผลเนี่ย ม, นะมันสามารถจะใช้ตรร ก, กะร้อยแปดนะครับพูดอะไรก็ได้นะเพื่อให้เข้าสู่ประโยชน์ของตนเท่านั้นเองนะบ้าเพราะพวกเขารักชีวิตและคําว่ารักชีวิตเนี่ยนะครับก็เลยไม่ใช้ชีวิตไปในทาง และเทตุ้มเปะนะครับหรือใช้ไปในทางที่มันไร้สาระอย่างที่คนส่วนใหญ่ใช้กันในะคำว่ารักชีวิตนะครับเพราะฉะั้ชีวิตก็เลยต้องทอาําอะไรทนะมมเลาะอะไรนะบำรุงมาเลยชีวิตนะบ้าเพราะพวกเขาสามารถเริงรําและร้องเพลงซึ่งก็เริงรําร้องเพลงไม่เหมือนกับที่ชาวโลวกเขาเริงํากันบ้าเพราะสําหรับพวกเขาชีวิตไม่ใช่คําถามไม่ใช่ปัญหาให้แก่แต่เป็นความลับที่คนแต่ละคนต้องหลอมและลายตนเองนะครับของว่าลอมและลายตนเองก็คือทำยังไงถึงจะหมดอัตราในการเริ่มต้นเดินทาง ข้าพเจ้าอยากจะเล่านะอยากจะกล่าวกับคุณว่าให้ไร้เดียงสามีเพียงเท่านั้นที่คุณจะเข้าใจกาบีได้อย่านําความคิดของคุณเข้าไปอย่าเริ่มถกเถียงกับเขาเพราะเขาไม่ใช่นักตรรกะวิทยาเมื่อคุณเห็นภาพเขียนคุณไม่ถกเถียงกับภาพเขียนคุณรื่อนร่มไปกับมันเมื่อคุณฟังนักดนตรีเล่นกีตาร์คุณก็ไม่ถกเถียงเมื่อฟังกวีคุณก็ไม่ถกเถียงคุณฟังบทกวีนั้นไม่มีข้อถกเถียงอยู่ในหัว นะครับเพราะในการเริ่มต้นเดินทางนีคือจะมาศึกษาท่านกาบีเนี่ะครับท่านโอชบอกว่าอยากจะกล่าวกับคุณว่าให้บริสุทธิ์นะครับให้ไร้เดียงสามีเพียงเท่านั้นที่คุณจะเข้าใจกาบีได้นะอย่านําความคิดของคุณเข้าไปนะครับความคิดความเชื่อการอบรมคำสั่งสอนทั้งหลายแหล่ที่มีไว้แต่ในอดีตทั้งหลายนะครับอย่าเพิ่งเอาเข้าไปนะมันจะเป็นอคตินะครับอย่าเริ่มถกเถียงกับเขานะไปนะครับไม่ได้ไปเพื่อจะไปไปหาจุดบอดจุดแก้จุดอะไรทั้งๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักตากาวิทยา เมื่อคุณเห็นภาพเขียนคุณไม่ถกเถียงกับภาพเขียนคุณเรื่นร่มไปกับภาพเขียนเมื่อคุณฟังนัดนต ร, ตรีเล่นกีฬาเล่นกิตาคุณก็ไม่ถกเถียงนะเมื่อฟังกวีคุณก็ไม่ถกเถีย ง, ง, ค, ยงคุณฟังบทกวีนั้นไม่มีข้อถกเถียงอยู่ในหัวทว่ากับศาสนามีเรื่องยากลําบากอยู่เมื่อคุณฟังคนที่เคร่งศาสนาคุณจะถกเถียงและถ้าคนเหล่านั้นถกเถียงด้วยความรับผิดชอบก็จะไปตกอยู่กับคนเหล่านี้เองมีคนโง่ที่พยายามจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริง ด้วยการถกเถียงโต้แย like ้งเรากับพระเจ้าวางพระองค์ไว้อยู่บนข้อถกเถียงกันนั้นเรากับว่าถ้าเราถกเถียงไม่ได้พระองค์ก็จะไม่เสถิตอยู่จริงไม่ดํารงอยู่จริงเรากับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องอ้างเหตุผลทางตรรกวิทยากันนั้นนะครับเกับศาสนาเนี่ยมีเรื่องยากลําบากอยู่นะครับเมื่อคุณฟังคนที่เคร่งศาสนาคุณจะถกเถียงและถ้าคนเหล่านั้นถกเถียงด้วยความรับผิดชอบก็จะไปตกอยู่กับคนเหล่านั้นเองมีคนโง่ที่พยายามจะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงด้วยการถกเถียงโต้แย้ง ซึ่งมีมาตลอดนะครับมีมาตลอดรากับว่าพระเจ้าวางพระองค์อยู่บนข้อถกเถียงกันนั้นรากับว่าถ้าเราถกเถียงไม่ได้พระองค์ก็จะไม่เสถ็จอยู่จริงไม่เดิมดวงอยู่จริงรากับพระเจ้าเป็นเรื่องที่ต้องอ้างเหตุผลทางตากกรรกวิทยากันนั้นกาบีจะไม่ถกเถียงอะไรกับคุณข้อเสนอของเขาเป็นเหมือนกับคัมภีร์อุปนิสต์หรือข้อเสนอของพระมหาหมัดในคัมภีร์กุรานหรือข้อเสนอของพระเยซูในไบเบลิลคือเป็นเพียงคํากล่าวเขารู้สึก เขาร้องเพลงเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นได้โปรดรู้สึกไปกับเขาไม่มีคําถามใดออกมาจากความคิดวางความคิดเอาไว้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมเห็นมานะีผมอาจจะยังไม่เรียกว่ายังไม่กว้างพอนะครับแต่ผมคือยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นคําสอนข อ, ของท่านกาบีนะที่เป็นภาษาไทยนะครับยังไม่เห็นนะแม้แต่ภาษาอังกฤษก็ก็ไม่รู้สึกจะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับกาบีจะไม่ถกเถียงอะไรกับคุณข้อเสนอของเขาเป็นเหมือนกับคํำพีอุปนิสัตหรือข้อเสนอของพระมหามัด ในคัมภีร์โกราดนะหรือข้อเสนอของพระเยซูในไบเบิลคือเป็นเพียงคํากล่าวเขารู้สึกเขาร้องเพลงเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นได้โปรดรู้สึกไปกับเขาไม่มีคําถามนะไม่มีคําถามใดออกมาจากความคิดวางความคิดเอาไว้นะตรงนี้ท่านเน้นเป็นพิเศษนะครับวางความคิดเอาไว้นะครับไปกับความรู้สึกนะถ้าคุณต้องการจะเข้าใจคุณต้องให้จิตเงียบฟังกาบีเหมือนฟังบทกวีเขาเป็นกวี ฉะนั้นจงอย่าฟังถ้อยคําจงฟังความเงียบที่รายล้อมถ้อยคํานั้นอยู่จงอย่าฟังถ้อยคําจงฟังบทกวีที่รายล้อมถ้อยคําฟังจังหวะฟังเพลงฟังการเฉลิมฉลองของกาบีเขาไม่ได้มาเทศนาอะไรกับคุณเขาเป็นเหมือนต้นเชอร์รี่ในคืนวันเพ็ญดอกเชอร์รี่เบ่งบานเต็มต้นดอกไม้นั้นไม่มีข้อถกเถียงพวกมันเพียงแต่อยู่ที่นั่นเป็นการระเบิดด อ, อกกาบีก็ระเบิดออกมาเป็นบทเพลง เพราะว่าคุณต้องการ จ, จะเข้าใจคุณต้องให้จิตเงียบนะก็คือหยุดคิดนะครับเอาฟังนะครับให้ฟังไม่ใช่ให้คิดฟังกาบีเหมือนฟังบทกวีนะครับท่านกาบีเป็นกวีฉะนั้นจงอย่าฟังถ้อยคําจงฟังความเงียบที่รายล้อมถ้อยคําอยู่นะอันนี้มันไปอีกเรื่องนะครับมัไม่ไปไม่ใช่ไปอีกเรื่องมันไปลึกลงไปก่อนนั้นนะครับนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่ว่าครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเรื่องราวที่เป็นคําสอนของท่านกาบีนะครับยังไม่เคยเห็นนะจงอย่าฟังถ้อยคํา จงฟังบทกบีที่รายล้อมถ้อยคําฟังจังหวะฟังเพลงฟังการเฉลิมฉลองนะครับของกาบีเขาไม่ได้มาเทศนาอะไรกับคุณเขาเป็นเหมือนต้นเชอร์รี่ในคืนวันเพ็ญ น, นะต้นเชอร์รี่เราไม่รู้จักนะครับเพราะต้นเชอร์รี่นะดูเหมือนมันจะเยอะในตา่างในในประเทศตะวันตกนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่รู้จักนะไม่ได้ใจนะครับแต่ว่าดูดูเหมือนว่านะครับมันจะมันจะมีดอกที่สวยงามมากดอกเชอร์รี่แบ่งบานเต็มต้นดอกไม้นั้นไม่มีข้อถนะไม่มีข้อถกเถียง พวกมันเพียงแต่อยู่ที่นั่นเป็นการระเบิดออกกาบีก็ระเบิดออกมาเป็นบทเพลงและนี่คือนะครับความเป็นไปได้2ประการเมื่อไรก็ตามที่ความรู้แจ้งเกิดขึ้นคนคนหนึ่งถ้าไม่ตกอยู่ในความเงียบงนันอันสมบูรณ์แบบก็จะระเบิดออกมาสู่บทเพลงมีความเป็นไปได้2อทางเมื่อมีเฮ บ, บาบาบรรลุเขากลายเป็นคนเงียบและเงียบไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อมีราบรรลุเธอเริ่มเต้นรําและร้องเพลง นี่คือความเป็นไปได้2อทางอาจเงียบนิ่งอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ทั้งชีวิตก็กลายเป็นบทเพลงชีวิตของกาบีเป็นบทเพลงนะครับบอกว่าความเป็นไปได้2 อ, อประกาศนะสำหรับผู้ที่เข้าถึงภาวะรู้แจ้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้แจ้งเกิดขึ้นนะครับคนคนหนึ่งถ้าไม่ตกอยู่ในความเงียบงันสมบูรณ์แบบก็จะระเบิดออกสู่บทเพลงมีความเป็นไปได้2อทางนะเมื่อมีเฮบาบาบรรลุ u, นะครับมีเฮอบาบาเนี่ยเป็นผู้นําทนจิตวิญญาณชาวเบนเดียนะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี19ึ่งพนี่เอง นะครับเป็นผู้ที่สื่อสารด้วยความเงียบนะครับตามสารานิคมบริธานิกาบอกว่า 40-44 ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยท่านไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับคำสอนของท่านผ่านมาลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะครับซึ่งซึ่งเข้าไปอยู่ใกล้ชิดแล้วก็บอกว่ามันเหมือนกับเหมือนกับส่งกันส่งความคิดปรทางการะแสจิตนะลูกศิษย์เป็นคนเผยแพร่คําสอนทั้งหลายแหล่แต่ท่านา น, นะครับมีเธบาบาเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนะเป็นเวลาที่ว่าครับเป็นเวลา40กว่าปี เขากลายเป็นคนเงียบและเงียบไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เมื่อมีราบรรลุเธอเริ่มเต้นรําและร้องเพลงนี่คือความเป็นไปได้2ทางอาจเงียบนิ่งอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ทั้งชีวิตก็กลายเป็นบทเพลงชีวิตของกาบีเป็นบทเพลงนะแต่จงจําไว้ว่าในเพลงของเขานั้นมีความเงียบอยู่และเพิ่งจะเรียกไว้ได้วยว่าในตัวมีเธอบาบาหรือคนประเภทนั้นก็มีบทเพลงอยู่ในความเงียบของเขาด้วยถ้าคุณฟังอย่างตั้งใจถึงความเงียบของมีเฮอบาบาคุณจะเต็มไปด้วยบทเพลง คุณจะรู้สึกว่าบทเพลงหลั่งไหลออกมาและหากคุณฟังกาบีเงียบๆคุณก็จะเห็นว่าบทเพลงของเขาไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากสารแห่งความเงียบนะครับเอาไว้ถึงตรงนี้ก่อนนะครับขณะนี้ผมกําลังนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภากคุรุนะครับท่านโนโชนะ่ผู้นําทจิตบิญดาณทางอินเดียท่านหนึ่งเป็นผู้บรรยายคุณโตมอนสุขปรีชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงขณะนี้กําลังนําเสนอเนื้อหาชีวิตของท่านกาบีนะครับ วันนี้พอสมควรกับเวลาครับช่วยกันแปรขยะเป็นบุญสนับสนุนบุญนียมทีวีครับขอบคุณครับเจริญธทรครับ